ขณะเดียวกันขันตินี้เป็นเครื่องประดับของผู้สามารถครอบงําผู้อื่นได้ก็คิดดูนะว่าคนในโลกนี่คนอดทนกับคนไม่อดทนเนี่ยคนไหนหน่ากลัวที่สุดใครคือคนที่มีอํานาจจริงๆรเนี่ยนะระหว่างคนสองคนที่อดทนกับไม่อดทนอย่างชีวิตของเราถ้าใช้ชีวิตด้วยความอดทนกับชีวิตแบบไม่อดทนเนี่ยผลจะออกมาคนละอย่างเลยเนี่ยนะผลออกมาคนละอย่างเพราะนั้นความอดทนนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเกรงขามได้ ผู้ที่มีความอดทนนั้นจะเป็นคนที่คนอื่นเกรงใจที่สุดแต่คนที่ไม่มีความอดทนเลยเนี่ยนะไม่มีใครเกรงใจเนยนะขันตินั้นท่านบอกว่าเป็นพระสัมปทาถึงพร้อมด้วยกำลังของส ม, มาณะพราห ม, ม, มาณ์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นผู้มีขันติเป็นกำลังเคยได้ยินไหมว่าเด็กไม่มีอะไรเป็นกำลังเด็กถ้าร้องให้และชนะหมดทุกเรื่องก็เรียกว่ากาลังของเด็กน้อยคือการร้องให้ พระราชามีอะไรเป็นกําลังอิสริยยศเนี่ยมีอํานาจเป็นกําลังต่อไปถ้าโจนทั้งหลายมีอะไรอาวุธเนี่ยเป็นกําลังของโจนอ้างอาวุธอย่างเดียวเนี่ยนะมาสิจะสู้อย่างเงี้ยนะถามว่าแล้วผู้หญิงล่ะมาตุขามบอกอย่าให้เคยโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วก็ชนะหมดนะแต่ลองโกรธแล้วชนะทุกเรื่องหมดนะทั้นความโกรธเป็นกําลังของมาตุขามบัณฑิตทั้งหลายมีการแพ่งเป็น กำลังเป็นนักใคร่ครวรพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบเนี่ยนะอันพหูสู่ทั้งหลายบัฑิตทั้งหลายเขาเพ่งพิจารณามากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกําลังเนี่ยนะมีความอดทนอั้นคุณสมบัติของผู้สมณะพราหมณ์ผู้สงบผู้ลอยบาปประธรรมทั้งหลายคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือความอดทนความอดทนนั้นท่านบอกว่าเหมือนสายน้ําที่กําจัดความโกรธกําจัดไฟคือความโกรธได้เนี่ยนะ ท่านสา ม, มารถกำจัดความโกรธความเร่าร้อนที่อยู่ในภายในทั้นตัวขันติเหมือนกับสายน้ำเย็นเนี่ยนะแต่ว่าแม้ใหม่ๆเนี่ยนะถ้าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ไหมถ้าโกรธแรงขันติ น, น้อยๆนี่ก็เสียหา ย, ยานะท่านจะต้องเพิ่มปริ ม, มาณของน้ำให้มันมากๆจนกว่าจะดับไฟคือโทสะในภายในเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีดับอะไรได้ถ้าจะมีความสุขก็เท่ากับดับไฟคือโทสะในภายในถ้าเราไม่รู้จักโกรธเลยเนี่ยชีวิตมันจะเดือดร้อนตรงไหน ขันตินั้นเป็นเครื่องชี้ถึงความเกิดแห่งชื่อเสียงอันดีงามถ้าใครที่เรียกว่าเป็นคนคนที่มีชื่อเสียงโดยมากจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะนะคุณสมบัติอันหนึ่งของผู้ที่มีกิติศัพท์คือชื่อเสียงก็คือความอดทนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอดทนว่านั่งไม่ขยับนั่นแหละก็เลยดังเลยเหมือนชื่อเสียงดีเลยนะใครก็กล่าวขานถึงว่านั่นนั่งไม่ขยับเลยว่า ความอดทนนั้นเป็นกิตติศัพท์รรรชื่อเสียงคันใครที่สามารถอดทนต่อสิ่งนั้นๆได้นานอดทนต่อสิ่งนั้นมากก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องนั้นๆนะในในทุกสาขาเลยนะใครที่ทนอยู่กับสิ่ง น, นั้นๆได้อดทนต่อสิ่งนั้นได้ก็มีชื่อเสียงในสาขานั้นๆขันติคือความอดทนเนี่ยนะเป็นมนที่แขังมากแล้วก็เป็นยาวิเศษที่ระงับพิษคาพูดของคนชั่ว เป็นมนคาถาของเราเป็นมหาอุดอุดปากคนพูดมากเนี่ยนะเงียบอย่างเดียวอดทนได้เนี่ยนะดูสิสมมติเขาว่าเรานะแล้วเราไม่โกรธแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเขาจะว่าไหมอ่ะเหมือนกับด่าดินด่าน้ําด่าไฟด่าลมเนี่ยรู้จักด่าให้มันเป็นอะไรเลยนะเยใครมีใครนั่งบนแผ่นดินมั้งไหมบนเน่ะบนด่าแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเงียบตลอดเดี๋ยวก็เลิกพูดถึงนะใช่ไหมนั่นแหละเพราะเขบอกว่าเป็นมนขลังปิดปากคนชั่วทั้งหลาย แล้วก็เป็นยาวิเศษที่จะรักษาคนที่พูดมากได้ความอดทนนั้นเป็นปกติของผู้มีปัญญาเนี่ยนะพฤติกรรมของผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านดำรงอยู่ด้วยความอดทนอย่างยอดเยี่ยมเพราะผู้ที่มีความอดทนเนี่ยนะจึงจะตั้งอยู่ในความสังวรสังวรทั้งห้าสีละสังวรอยู่ในสีละสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสัง ว, วรงวขันติสังวรพันเพราะว่า ขันติตัวนี้ก็อยู่ในสังวรเป็นเครื่องห้ามเครื่องปิดเครื่องกั้นไม่ให้บาปไหลเข้ามาท่านบอกว่าความอดทนหรือขันตินี้เป็นเหมือนกับสาครเป็นเหมือนกับทะเลเพราะว่ามีความลึกซึ้งเนี่ยนะคนที่มีความอดทนนั้นเป็นคนที่ลึกซึ้งมากเนี่ยนะถือว่าในเรื่องนั้นนนะเพราะเขาอดทนในเรื่องนั้นได้แสดงว่าเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอะไรสักอย่างเป็นพิเศษเขาจึง อดทนกับสิ่งนั้นๆได้ฉันใดผู้ที่อบรมคุณธรรมด้วยความอดทนอยู่ได้เนี่ยนะแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษเรียกว่าความลึกซึ้งขณะเดียวกันความอดทนเป็นเหมือนกับชายฝั่งของทะเลคือโทสะหมายค่ะว่าทะเลทั้งหลายเนี่ยล้นฝั่งไหมไม่ล้นฝั่งฉันใดความโกรธก็ไม่ล้นฝั่งขันติไปฉันนั้นขอให้มีขันติจริงๆนะถ้ามีขันติเท่ากับฝั่งแล้วก็ ไฟคือโทสะก็ไม่ท่วมทะลักออกมาขณะเดียวกันความอดทนนี่แหละเป็นประตูที่ปิดอบายอย่างดีเพราะว่าขันติเนี่ยนะอดทนได้ที่จะไม่ล่วงอกุศลกรรมบทคืออย่างเช่นมันน่าค่านะมันแหมแทบจะทนไม่ได้เลยมันต้องฆ่าอย่างไงนะก็เปิดประตูนรกอีกแล้วอย่างงี้ยมันต้องรักนะเขารักมาเขากงมาแล้วก็ต้องโกงตอบสิอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปิดประตูอบายอีกแล้วเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ อดทนไม่ไปล่วงอกุศลกรรมบด ท, ทั้งหลายนั่นแหละเป็นการปิดประตูอาบายเนี่ยนะนท่านบอกว่าความอดทนนี้เป็นประตูที่ดีมากเป็นประตูจันเยี่ยมในการปิดไม่ให้ตัวเองนี่ตกลงไปในอาบายเพราะว่าถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยนะยังไงมันก็อดไม่ไดนะ้อดที่จะทำชั่วไม่ได้เนี่ยนะต่อไปขันตินั้นเป็นบันไดขึ้นสู่เทวโลกและพรหมโลกเนี่ยนะ เพราะผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยขันติขันตินั้นองค์ธรรมอันหนึ่งก็คือไม่โกรธแต่ถามว่าไม่โกรธนี่คืออะไรเป็นฐานอย่างดีของฮิริโอตปะเป็นฐานอย่างดีของเมตตาเนี่นะพันคนที่มีขันติจริงๆก็คือคนที่มีเมตตานั่นเองพันเป็นบันไดขึ้นสู่พรหมโลกเป็นภูมิคือภูมินี่แปลว่าที่ประดิษฐาน ที่ประดิษฐานของคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเป็นที่ประดิษถานของอสาวกโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่ประดิษฐานของสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มัดเป็นที่ประดิษถานของมรรคผลเป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้ต่อไปว่าขันตินี้ทําให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจยอย่าง สูงสุดเนี่ยนะครับใครที่มีขันตินั้นจึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทางกายกายไม่กําเริบวาจาไม่กําเริบและก็ใจไม่กําเริบคําว่าขันติอีกในหนึ่งแปลว่าความกล้านะคนที่กล้าเท่านั้นแหละจึงจะทนได้คนไม่กล้าเนี่ยนะทนไม่ได้หรอกเจอคนขี้ขลาดทั้งหลายนี่ยอดทนได้ไหมไม่ได้ฉันได้นี่ก็เหมือนการขันตินั้นเป็นเป็นความกล้าอย่างหนึ่งกันนะคือว่าไม่เห็นว่าไอ้อุปสรรคและปัญหาเข้ามาจะทําอะไรได้ก็เลย มีความกล้าจริงๆที่จะอดทนเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนในโลกนี้เพราะไม่มีขันติสมบัติและเพราะประกอบด้วยกรรมอันทําให้เดือดร้อนในโลกหน้าสมมติถ้าอย่างว่าสมมติถชาตินี้เราไม่มีความอดทนเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีความอดทนเราจะทําบุญไหมไม่ชาตินี้ก็เดือดร้อนและชาติต่อๆไปก็เดือดร้อนยังเห็นดูว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเราเห็นมนุษย์ กับเห็นเดรัจฉานเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นผลของบุญเดรัจฉานก็เป็นผลของบาปก็แสดงว่าอดีตมนุษย์ทั้งหลายก็มีความอดทนอดีตสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีความอดทน น, นะนะาเขาไม่มีขันติอะไรเลยจึงก็ยังว่านะสัตว์โลกเป็นที่ส่องให้ดูผลแห่งบุญผลแห่งบาปมันก็ดูว่าอดีตอดทนไหมที่จะเจริญกุศลหรือไม่มีความอดทนในการเจริญกุศล ไล่ใหเข้าไปหาบาปและอกุศลดังั้นคนที่ไม่มีขันติปล่อยให้ตัวเองไปทําบาปอากุศลเนี่ยนะก็เดือดร้อนโลกนี้แล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าหากว่าทุกขมีความเสียหายของผู้อื่นเป็นนิมิตเกิดขึ้นอัตภาพอันเป็นที่เจริญงอกเงยของทุกนั้นและกรรมอันเป็นพืชของทุกนั้นอันเราปรุงแต่งแล้วนั่นเป็นเหตุแห่งความเป็นหนี้ของความทุกขนั้นเนี่ยน ะ, ะเครื่องหมาย คือความทุกข์เนี่ยนะถามว่าความทุกข์ทั้งหลายนี่เวลามันเกิดมันเกิดที่ไหนก็ที่อัตภาพอัตภาพเป็นที่เจริญงอกงามแห่งความทุกข์เนี่ยนะคือสมมติถ้าคนอื่นมาเบียดเบียนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอัตภาพเขาจะมาเบียดเบียนเราไหมก็เนื่องจากว่าคนอื่นมาสร้างความเสียหายเขาสร้างความเสียหายในอัตภาพและอัตภาพนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการปัทธุสร้ายเป็นที่ตั้งแห่งการทําลายอัตภาพเกิดจากอะไร กรรมเป็นพืชของอัตภาพคือกองทุกอันนี้ขึ้นเพราะว่ากรรมเนี่ยตกแต่งอัตภาพเป็นที่สร้างความเสียหายแห่แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะถ้าเราไม่มีความอดทนก็เป็นหนี้แห่งกองทุกขอันใหม่อีกแล้วเนี่ยนะไม่มีความอดทนก็เลยกู้ใหม่การทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นไปกับบาปและอกุศลก็คือการกู้ใหม่ที่ต้องชดใช้ในอบายเนี่ยนะ อีกนัยยะหนึ่งคิดว่าเมื่อไม่มีผู้ทำความเสียหายให้แก่เราเนี่ยนะขันติสัมปทาของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอูคนนี้มีความอดทนมากไม่มีใครมาเคยมากวนเลย่นะไม่มีใครมากวนให้รลวงอกุศลกรร ม, มบทแม้แต่ข้อเลยก็เลยเรียกว่าเป็นคนอดทนใช่ไหมไม่บางคนที่อดทนจริงๆก็ต้องเรียกว่า อะไรของที่มันทนได้ก็ต้องทนหนาวทนร้อนทนแดดทนฝนได้ฉันใดคนที่มีขันติเนี่ยนะเมื่อไปเจอเหตุการณ์เลวร้ายก็ยังรักษากุศลธรรมเอาไว้ได้จึงจะเรียกว่าคนมีความอดทนเนี่ยนะไม่ต้องให้มีอะไรมารบกวนเลยบอกว่าเป็นคนมีความอดทนสูงมากโดยที่ไม่เคยมีอุปสรรคไม่เคยมีปัญหาอย่างงี้เรียกว่าคนอดทนไหมไม่แต่คนที่อดทนจริงๆเนี่ยคือคนที่ไม่ได้มองว่าอะไรเป็นอุปสรรค แต่ไม่ใช่อุปสรรคไม่มีแต่ไม่มองว่าเป็นอุปสรรคก็มองว่าดูซิว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรก็มองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อสติปัญญาด้วยซ้ำไปเรียกว่าเป็นคนที่มีความอดทนแม้หากว่าบัดนี้ผู้นี้ไม่สร้างความเสียหายให้แก่เราจริงอยู่ผู้นี้ตอนนี้เขาสร้างความเสียหายให้แก่เราแต่ในอดีตเขาเคยมีอุปการะแก่เรานะ ใครมั่งไม่เคยเป็นอุปการะแก่ใครในโลกนี้อันยาวนานเลยนะีอนดีตมาเนี่ยสังสารวัตรอันเนิ่นนานเนี่ยเขาไม่เคยมีอุปการะอะไรแก่เราเลยหรือจริงอยู่ตอนนี้เขาจะสร้างความเสียหายให้แก่เราแต่อดีตเขาคือผู้มีอุปการะเนี่ยนะแล้วจะเอาเอามาเก็บไว้โกรธทําไมเขาว่งั้นอีกอย่างหนึ่งผู้ไม่ทําให้เสียหายนั่นแหละเป็นผู้มีอุปการะเพราะมีขันติเป็นนิมิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเช่นกับบุตรของเรา พระพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีความคิดว่าสรัรพะสัตว์ทั้งหมดคือลูกของท่านนะนะใครจะโกรธในความผิดที่บุตรทำได้เนี่ยนะยากนะหายากมากที่พ่อแม่พยาบาทลูกโทษทานมันอุจาระปัสสาวะใสตั้งแต่เด็กๆผูกเวณมีไหมแหมก็ถือว่าเกินไปนะนะพ่อแม่ที่เป็นลักษณะนั้นหายากเต็มทีคือเพราะว่าคนที่มีสามัญยสํานึกในความเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเนี่ยนะ เขาไม่ได้มองว่าลูกทํากับตัวเช่นใดว่าลูกสร้างความเสียหายก็ไม่รู้จะเก็บใจผูกใจโกรธไปยังไงนะลูกมันทําตัวประท้วงยังไงก็ไม่ได้ผูกมาเก็บมาโกรธมาน้อยใจมาเสียใจมาเศร้าใจฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเช่นกับลูกของท่านเนี่ยนะไปถือโทษโกรธเคืองทําไมมันก็ลูกของเราบุตรนี้ทําผิดแก่เราโดยไม่ใช่เพศของปีศาจ ท, ที่โกรธอันใด เราควรแนะนำบุตรผู้ไม่ใช่เพศที่เป็นความโกรธอันนั้นสมมติว่าลูกของเราเนี่ยนะสมมติว่าถ้ามองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นลูกของเราเขาเป็นญาติของเราเขามาสร้างความเสียหายของเราตรงกันข้ามนะเราจะแนะนำเขาได้อย่างไรหาอุบายหาช่องทางว่าจะจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเคยเห็นลูกบางคนนก่อกวนอยู่นั่นแหละเ อ, อะะวยวายอยู่นั่นแหละ พ่อแม่ทั้งหลายที่มีใจมีคุณธรรมนี้จะช่วยลูกคนนี้ให้มีความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะอย่างเด็กบางคนนี่งอแงอก็แสดงว่าเขาไม่สบายเราจะช่วยให้เขามีความสุขได้อย่างไรชันใดผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์มองเห็นสัตว์ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าเขาคือผู้ที่มีปัญหาเป็นคนที่ควรได้รับการสงเคราะห์เป็นคนที่ควรแก่การช่วยเหลือ ทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราด้วยความเสียหายใดแม้เราก็เป็นเครื่องหมายแห่งความเสียหายนั่นแหละจะว่าไปเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็เพราะมีร่างกายนี่แหละเขาจึงสร้างความเสียหายให้สร้างความทุกข์ให้เนี่ยนะทำความเสียหายด้วยทําใดและในทำที่ใดทําเหล่านั้นแม้ทั้งหมดก็ดับไปในขณะนั้นแหละอันนี้วิธีคิดอีกอย่างหนึ่งนะคิดแบบคนสูงสุดเลยบอกว่าอา้าว ธรรมทั้งหลายคือสังคตะธรรมใช่ไหมในโลกนี้คือสังคตะธรรมทั้งหมดใช่ไหมคือสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทีนี้สังคตะธรรมเกิดที่ใดดับที่นั่นพูดแบบภาษาธรรมะเลยเนี่ยนะเกิดที่ใดดับที่นั่นไม่มีการโอนไม่มีการย้ายนะสังคตะธรรมเกิดที่ใดดับที่นั่นแล้วโกรธใครอ่ะสมมติว่ า, ถ, าถ้าใครที่ผูกใจเจ็บคนมาเนี่ยนะเอา้าสมมติว่าโกรธ ไ ม, ไม่ไม่น่าพูดอย่างนั้นเอาอะไรจิตจิตแต่ชื้อโรคแผ่แปลงมึงเสียงออกมาลมปากอันนั้นก็หายไปแล้วโกรธอะไรอตอนนี้เพราะคําเหล่านั้นมันเกิดตรงนั้นแล้วมันก็ดับตรงนั้นน่ะเมื่อมันเกิดตรงนั้นหมดตรงนั้นพฤติกรรมเหล่านั้นมันมีตรงนั้นแล้วมันหมดตรงนั้นอีกแล้วเก็บเอามาโกรธอะไรมันมีอัตตาอยู่ในนั้นหรือจึงเก็บมาโกรธมันก็ไม่มีนั่นแหละก็ถ้าใครครัวในลักษณะในความเป็นสังคตะธรรมทั้งหลายก็ทําให้เลิกโกรธได้ อย่างคนที่เจริญอาการ32มามากโกรธผมใช่ไหมโกรธขนโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกหรือโกรธเยื่อในกระดูกแต่เขาใช้เขาไม่ใช้โกรธเยื่อในกระดูกโกรธรดเยื่อในกระดูกยังไงนะมันโกรธมากอะนะแต่ว่าถามว่าโกรธเยื่อในกระดูกใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่แหมมันแหมกระว่าผูกใจโกรธเต็มที่เลยนะเอาหรือโกรธน้ําลายน้ําเลือดน้ํำน้องน้ำเสเลดน้ํามันข้นน้ำมันเหลวอะไรโกรธอะไร หรือไม่ก็โกรธรูปใช่ไหมโกรธเวทนาสัญญาสังขารหรือโกรธวิญญาณโกรธอะไรโกรธตาจักขวายตนะรูปลายตนะโสตาหยตนะโกรธอายตนะ12หรือโกรธท่าสิบแหรือโกรธอินทรีย์หรือโกรธอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารโกรธก็โกรธวัตตาให้มันจะได้ออกจากวัตตาสัทีเนี่ยมันก็เอาไม่เอาจริงอีกนั่นแหละมั้นก็ถ้าพิจารณาให้รอบครอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมเนี่ยนะ อันหนึ่งหากว่าความโกรธพึงมีเพราะการทําความเสียหายต่อผู้อื่นเป็นเครื่องหมายด้วยการสะสมตลอดกาลานานของพระโพธิสัตว์นั้นครอบงําจิตอยู่พระโพธิสัตว์พึงใส่ใจอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอดทนนี้เป็นเหตุช่วยเหลือในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดมาในสังสารวัตรเนี่นะหมายมันก็สะสมไอ้ความโกรธมามันก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมเพราะอาศัยความโกรธที่เคยสะสมมานานเนี่ยนะมันท่วมทับออกมา ต้องศึกษาไว้ว่าความอดทนนี้เป็นเหตุช่วยให้เราประพฤติปฏิบัติในการเจริญโพธิญาณให้ประสบความสําเร็จนะถ้าเราไม่อดทนมันสำเร็จไม่ได้นะถึงจะโกรธบ้างก็ต้องทำทั้งน้ําตานะครับเจริญกุศลทั้งน้ําตาไปขันตินี้เป็นปฏิบัติต่ตอผู้ไม่ทําความเสียหายต่อผู้อื่นคือหมายความว่าคนที่มีขันติจะเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ได้สําเร็จเนี่ยนะ ประโยชน์โลกนี้ทั้งหลายอย่างนักเกรจาทั้งหลายถ้ามีคนไม่มีความอดทนเนี่ยนะอยู่รอดไหมยากเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ทําให้เกิดในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนี้เกิดจากขันติทั้งนั้นแลขันติเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาโดยให้เกิดทุกว่าศรัทธาอาศัยทุกขเป็นความเสียหายของเราถ้ามีความอดทนจริงๆเนี่ยนะจะทําให้เห็นเห็นทุกเกิดขึ้นเลยโอ้โหสังสารทุกนี้มันขนาดนี้เลยหรือ พอมีความอดทนนี่จะเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์ก็จะทําให้เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็จะเข้าไปหาเข้าไปหาก็นั่งใกล้นั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังศึกษาข้อปฏิบัติให้พ้นจากความพ้นทุกข์บรรพชนที่มีความอดทนนั้นจึงออกจากทุกข์ได้สําเร็จและขณะเดียวกันเนี่ยความอดทนเนี่ยเป็นเหตุให้เจริญอนัพิรตสัญญาคือการกําหนดว่าโลกสังสารวัฏไม่ได้น่าเพลิดเพลินโลกเนี่ยนะ ผู้ที่จำต้องอยู่ในสังสารวารัตรก็จำต้องอดทนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติให้มันออกจากสังสารทุกข์สักทีหนึ่งความปกติของอินทรีย์คือการประกอบสม่าเสมอในอารมณ์ทั้งหน้าปราถนาและไม่หน้าปราถนาใครที่ไม่มีความอดทนเนี่ยนะถ้าเจออารมณ์ที่หน้าปราถนาก็เปไงเลิดเพลินจนได้ทาบาปอีกนั่นแหละเจออารมณ์ที่ไม่หน้าปราถนาก็เสี ย, ยใจจนได้ทาบาป เพราะอะไรเพราะไม่มีความอดทนนั้นผู้ที่มีความอดทนนั้นทําให้อินทรีย์นั้นปกติคือหมายก็ ว, ว่ามีความสม่ําเสมอในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะถ้าน่าหากว่าเราไม่มีความอดทนเนี่ยจะเป็นยังไงซีหน้าท่าทางแววตาเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาหรือเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาถาว่าคนที่กโกรธเนี่ยนะพู้ตกอยู่ในอํานาจของความกโกรธ มัวเมาด้วยอํานาจของความโกรธใจเป็นยังไงฟุงซ่านสินิ่วอนทุกข้อเนี่ยนะเป็นเหตุให้ใจฟุงซ่านในสัตว์ผู้ตกอยู่ในอํานาจของความโกรธนั้นจะได้อะไรด้วยการช่วยเหลือแปลว่าคนที่โกรธเนี่ยนะใครอยากช่วยเหลือบ้างอะ่ะมีใครจะเห็นใจบ้างอู้ยสงสารเขาจริงๆเขาเป็นคนมกักโกรธมากเห็นใจเขาเป็นพิเศษ คือโรคกายกับโรคใจนี่มันแปลกนะถ้าโรคกายถ้าป่วยมากเท่าไหร่คนจะสงสารเท่านั้นแต่โรคใจเนี่ยนะถ้ากิเลสแรงเท่าไหร่โทสะแรงเท่าไหร่คนดังเกียจมากเท่านั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในอำนาจความโกรธบ่อยๆแล้วใครอยากจะสงเคราะห์เราใครอยากจะช่วยเหลือเราบัณฑิต ท, ทั้งหลายเขาจะสอนเราหรือเขาจะกล้าบอกเราหรือเป็นต้นเนี่ย น, นะเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวปากเป็นเหมือนเข็มของเราที่จะไปทิ่มเขาคืนเนี่ยนะ เพราะวันความโกรธนี่จ่าเขาเรียกว่าคนมักโกรธนั้นจึงยากที่จะได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลต่อไปนะบอกว่าอีกในหนึ่งเนี่ยนะเป็นความพิเศษเป็นวิธีคิดที่เนี่ยมาเจอในเจริยาปิฎกเนี่ยชอบมากท่านบอกว่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปก ป, กปกักคุ้มครองสัตว์เหล่านั้นมือนสัตว์เหล่านั้นเกิดจากอ ก, อกของพระองค์ถ้างั้นเราก็โกรธลูกพระพุทธเจ้าสิเนี่ย แปลว่าเราไม่ควรทำใจให้โกรธในสัตว์เหล่านั้นเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไปโกรธลูกพระพุทธเจ้าได้ยังไงใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าปกปักคุ้มครองสัตระสัตทั้งหลายเหมือนลูกที่เกิดจากใจของพระองค์อะ่ะทำไมเราต้องไปโกรธลูกพระพุทธเจ้าด้วยไม่บาปแย่แล้วเนี่ย น, นะก็อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่เรียกว่าท่านฉลาดมากะนะ เมื่อผู้ทำความผิดมีอุปการะคุณมีพระคุณกับเราเราก็ไม่ควรโกรธต่อผู้ที่มีอุปการะคุณเขามีอุปการะคุณมากแก่เราขนาดนี้แล้วไปโกรธทำไมเขาจะผิดบ้างพลาดบ้างจะเป็นไรไปเนี่ยนะที่เราก็พลาดมาไม่รู้กี่พันอย่างแล้วเนี่ยนะทำเป็นให้อภัยเสมอทีผู้มีพระคุณผิดพลาดบ้างทำเป็นอดทนไม่ได้ยังไง น, นะก็อันนี้มันถ้าจะโกรธผู้มีพระคุณก็ให้ระลึกว่า เขาเป็นผู้มีพระคุณนะไปโกรธผู้มีพระคุณทำไมเนี่ยนะต่อไปเมื่อไม่มีคุณน่ะเป็นคนที่เลวสิ้นดีเลยเนี่ยนะทำผิดอันนี้ต้องสงสารเป็นพิเศษเขาเป็นคนที่น่าสงสารเป็นพิเศษเขาเลวขนาดนี้เนี่ยนะชาตินี้เขาเดือดร้อนขนาดนี้แล้วชาติต่อต่อไปเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนะมองเห็นเส้นทางของชีวิตของเขาเขาจะน่าสงสารขนาดไหนหรือเรานี่มันใจดำมากเนี่ยนะ แช่งเลยตกนรกหลายกับหลายกันตกนรกเป็นกลับกับเนี่ยนะเกิดมาชาติใดให้แหมใจเนี่ยโหดร้ายเหี้มโหดอำ ม, มหิตมองใครก็แตกทําลายเป็นจุนวิจุนไปขนาดนั้นหรือเหี้มขนาดนั้นโอ้ยถ้าเหี้มขนาดนั้นเนี่ยนะคนอื่นเขาก็จะคิดยังไงกับเราก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นเราควรจะสงสารเขาให้มากว่าถ้าเราเองไปตกอยู่ในสภาพเช่นเขาเราจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ย อีกอย่างหนึ่งยศคือบริวารอันเป็นคุณของเราย่อมเสื่อมไปเพราะความโกรธเอางี้ความโกรธเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราโกรธเนี่ยมีใครอยู่ต่อหน้าเราบาั้งไหมสมมติว่าของมากำลังบัญญาบัญเกิดนึกอยากด่าขึ้นมาโกรธก็เลยด่าไปใหญ่เลยนะภายในสมนาทีแค่นั้นนะ่หายหมดเลยอ่ะนะนะ เพราะสลายวงเนี่ยนะวงสลายเหมือนกันเะเพราะอะไรก็บริวานทั้งหลายคําว่าบริวานก็คือพักพวกเพื่อนฟูงเนี่ยนะก็ลองใครที่ไม่อยากมีเพื่อนนะก็แกล้งเอะอะโวยวายสักพักเดี๋ยวก็หมดลนะ้เดี๋ยวก็ได้อยู่คนเดียวจริงๆอ่ะนะแกล้งโวยวายดูเถอะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีความโกรธเนี่ยนะยศไม่มีหมายาาคำว่าคําว่ายศในที่นี้แปล ว, ว่าพักพวกนะนะจะไม่มีพักมีพวกอะไรเลยนะโกรธกับทุกคนดูสิ จนไม่มีใครเข้าหน้าได้อย่างคนอายุมากบางคนเนี่ยนะขี้โมโหโกรธาขี้โกรธเรียวกาดไม่มีใครเข้าหน้าติดเลยว่างั้นต่อไปสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีผิวพธุ์เศร้ามองและการอยู่เป็นทุกข์เป็นต้นย่อมมาถึงเราผู้อยู่ด้วยอานาจความโกรธถ้าเราโกรธ บ, บ่อยๆเนี่ยชาติหน้าเราควรจะสุดเอาเป็นว่า ขณะที่เราโกรธเนี่ยนะสีหน้าเราเป็นยังไงชาติหน้าเราก็นั่นแหละสร้างเหตุไว้เป็นอย่างนั้นถ้าโกรธจนสร้างหน้าบิดหน้าเบี้ยวชาติหน้าก็ได้เบี้ยวอย่างที่ที่เนี่ยนะเคยเคยสังเกตดูว่าทําไมบางคนเนี่ยเกิดมาหน้าตาทําไมมันบิดมันเบี้ยวมันหงิกมันงออะไรขนาดนั้นเนี่ยนะเรามาดูคนโกรธแล้วไม่ค่อยต่างอะไรกันเนี่ยนะก็เหตุเช่นใดผลก็เช่นนั้นนั่นแหละแล้วก็เวลาที่โกรธมาเนี่ยผิวงามไหม ผิวสวยไหมก็ไม่สวยฉันใดแล้วคนที่โกรธเนี่ยหลับฝันดีเลยใช่ไหมฝันเมื่อไหร่ก็ฝันร้ายทุกทีเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มักโกรดนั้นจะมีผิวพันธ์เศร้าหมองอยู่เป็นทุกหลับก็เป็นทุกตื่นก็มาเป็นทุกเนี่ยนะประสบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะอันหนึ่งชื่อว่าความโกรธนี้ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างยังประโยชน์ทั้งปวงให้พินาศเป็นฆาตศึกที่มีกําลังจริงๆ เป็นค่าศึกที่ทําลายเราทุกอย่างเนยนะโกรธขึ้นมานี้อยากให้ทานไหมไม่ประโยชน์ของการให้ทานมีมากใช่ไหมมี odes. ถ้าเราไม่ให้ทานนี่เสียหายใช่ไหมใช่ถ้าเราโกรธแล้วเราให้ทานไหมไม่ให้เสียหายนะเห็นเห็นแล้วใช่ต่อไปถ้าเราโกรธแล้วเราจะรักษาศีลไหมไม่รักษาศีล น, นี่รักษาแล้วดีใช่ไหมใช่พอโกรธขึ้นมาก็ไม่รักษาศีลเนี่ยเสียหายขนาดไหน โกรธขึ้นมาเนี่ยอบรมสมถะวิปัสนาเป็นเครื่องนำออกจากทุกไหมไม่เท่าอยู่ในกองทุกแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นขณะที่เราโกรธขึ้นมาทำลายประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะการงานทั้งหลายของผู้ที่ทำด้วยความโกรธเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็มีมีแต่ความเสียหายเหมือนกับคนขับรถด้วยความโกรธเลยจะเป็นยังไงก็ ดูถ้าจะอายุไม่ยืนเนี่ยนะเพราะประโยชน์โลกนี้กับเสียหายประโยชน์พบต่อตไปก็เสีหยหายเสียหายหมดเลยเหมือนั้นเมื่อมีขันติค่าศึกไรๆก็ไม่มีคนที่มีความอดทนนี่ไม่มีศัตรูเนี่ยนะจะไม่มีเวรไม่มีศัตรูเลยนะคือศัตรูที่มันระหักาดที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกในโลกนี้เนี่ยนะว่าไปจริงๆนะี่ไม่มีอะไรนะ่ากลัวเท่ากับโทสะที่อยู่ในใจเราหรอกเนี่ยนะ เพราะว่าไม่มีใครแช่งใครให้ตกนรกได้หรอใครมาดักขุดหลุมเราให้ตกนรกได้ไหมไม่ได้แต่ไอ้บาปอากุศลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันสู่เราไปสูป่อบายนรกได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอดทนไม่ยอมให้โทสะบาปอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะความทุกข์ของเราก็ไม่มีแต่ถ้าเรามักจะโกรธบ่อยๆเนี่ยนะข้าศึกติดตามเราแน่เอางี้นะว่าถ้าเราโกรธแล้วไปด่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะขอบคุณเราใช่ไหม ไม่เขาก็ผูกเวรกับเราเนี่ยนะถ้าเราโกรธ ถ, ถึงกับไปสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นแล้วคนอื่นเ้าจะให้ของกํานันไหมไม่ให้ของกํานันที่ดีเนะี่ยอาจจะให้แบบประเบิดให้อะไรมาแทนเนี่ยนะของกํานันประเภทนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยนะศัตรูทั้งหลายเขาก็ตามจองล้างจองพลานตามผูกพยาบาทอยู่นั่นแหละเมื่อเราครอบงําความโกรธด้วยอนุภาพของขันติข่าศึกเป็นทาาของความโกรธนั้นจะถูกครอบงําโดยชอบเนี่ยนะ แปลว่าเป็นการข่มโดยธรรม น, นะการครอบงำโดยธรรมก็คือครอบงำด้วยขันติการสละคุณธรรมคือขันติไปมีความโกรธนั้นไม่สมควรแก่เราเนี่ยนะตั้งสายใจไว้ว่าไม่สมควรแก่เรานะเพราะเราเป็นผู้ปฏิญาณที่จะนําตนให้ออกจากวัตะนําผู้อื่นให้จะออกจากวะตะัตฏะมาเจอเรื่องแค่นี้โกรธทาไมวะงั้น <S <S เมื่อมีความโกรธอันเป็นฆ่าศึกทำลายคุณธรรมมีศีลเป็นต้น ถ้าเราโกรธทานของเราก็เสียศีลก็เสียภาวนาก็เสียปัญญาก็เสียแล้วเมื่อไรบารมีจะบริบูรณ์เนี่ยนะมัวแต่โกรธอยู่นั่นแหละเล ย, เลยอดสร้างบารมีข้ออื่นเลยมัวแต่รักษาความโกรธอยู่นั่นแหละมันจะบรรลุได้ยังไงวะกั้นเมื่อไม่มีความโกรธรักษาคุณธรรมคือขันติศีลเป็นต้นเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ขณะเดียวกันเรานี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายจักถึงสมบัติที่สูงสุดตามสมควรแก่ปฏิญญาได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความอดทนเลยนะโมจะไปโกรธโมจะเครียดโมตะโกรธอยู่นั่นแหละ เ, ม, เ, ม, เ, ม, เ, ม, เมื่อไหร่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งนะเพราะว่าความโกรธนันไม่เป็นบารมีสักข้อเลยใช่ไหมโกรธนี้เป็นทานศีลนีน่รรมพัญญาวิรยิยขันติสจัจอาทิฐานเมตตาอุเบขาคุณธรรมทั้งหลายกี่ร้อยกี่พันข้อของพระโพธิสัตว์มีความโกรธ ผสมอยู่ในนั้นไหมนี่เนี่ยนะมีแต่ความเสียหายที่ไม่ใช่คุณคอยติดตามคอยประทุสร้ายคอยทำลายเมื่อมีความอดทนต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงของผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านในภายนอกย่อมอดทนต่อการเพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เพ่งพิจารณาธรรมทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาคือถ้าเราอดทนจากความเสียหาย คือคืออยู่บนพื้นฐานแห่งนักอดทนจย่งๆไม่ได้มองทุกอย่างว่าเป็นปัญหาไม่มองอะไรว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยนะจิตใจก็ตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมั่นก็เพ่งพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายพิจารณาสังขตะทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกขเพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารสาระเนี่ยนะเมื่อเพ่งพิจารณาอย่างนี้นิพพานย่อมทนต่อการเพ่ง เมื่อเพ่งสังคตะธรรมทั้งหลายโดยลักคนูปนิสชาญโดยอารัมมนูปนิสชาญได้เขาก็จะเห็นพระนิพานที่ควรต่อการเพ่งพระนิพานที่เป็นอสังคตะเป็นธรรมที่ดับสังคตะโดยประการทั้งปวงพระนิพานเป็นธรรมที่ดับความตายพระนิพานนั้นเป็นสันตะคือสงบระงับพระนิพานปณิตะประนีตเป็นต้น ขณะเดียวกันถ้าอยู่ในความอดทนพุทธธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยความเป็นอจินไตยเป็นคุณที่หาประมาณไม่ได้ขอให้รักษาความอดทนเธอถ้ารักษาความอดทนแล้วพุทธธรรมทั้งหลายคือธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นถ้ามีความอดทนจนถึงที่สุดเต็มเปี่ยมสมบูรณ์พุทธคุณทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นพุทธคุณทั้งหลายทั้งมวญเป็นอจินไตยเนี่ยถ้าอาศัยความอดทนเล็กน้อย จะสมควรที่จะรองรับพุทธคุณที่เป็นอาจินไตยอย่างนี้ได้หรือไม่ได้หรอก